วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมได้เดินทางมาที่วัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเป็นขั้นที่หนึ่งของภารกิจทางศาสนาภารกิจทางศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นขั้นขั้นขั้นที่หนึ่งท่าน เรียกว่าปริยัติคือการศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อได้ศึกษาแล้วก็ไปสู่ภารกิจขั้นที่สองก็คือการปฏิบัติหรือนำเอาธรรมที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนนี้มาปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไปสู่ ขั้นที่สามก็คือบรรลุผลเรียกว่าปฏิเวทการศึกษานําไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติก็นําไปสู่ปฏิเวทคือการความสําเร็จการศึกษาและการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทคือบรรลุทำขั้นต่างๆบรรลุมรรคผลนิพพาน เรียกว่าปฏิเวชแล้วหลังจากที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคลแล้ว mm hmm. ก็ไปสู่ภารกิจขั้นที่ส mm ี hmm. ่เรียกว่าการเผยแผ่คําสั่งคําสอนที่ได้ศึกษาที่ได้ปฏิบัติที่ได้บรรลุมาอันนี้คือ ขบวนการหรือขั้นตอนของการดำเนินภารกิจทางศาสนาถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วก็จะมักจะไม่ได้ผลที่พึงที่จะได้รับแต่ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนของภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ ก็จะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพาน <c oughs> ขักระบวนการแรกก็คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนว่าการที่เราจะ ไปจากจุดนี้จุดที่ใจที่ยังอยู่ภายใต้ความทุกข์ต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพัดพรากจากกันเกิดจากการที่จะต้องประสบ กับภาวะที่ไม่พึงปราถนาเ <c oughs> หตุการณ์ต่างๆที่เรามาพบในโลกนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ใจของเรานี้หวั่นไหว <c oughs> ทําให้ใจของเรานี้เครียดทําให้ใจของเราเศร้าทําให้ใจของเราหมุนหมองทําให้ใจเรา วุ่นวายความทุกข์เหล่านี้ของใจนี้พระพุทธเจ้าได้ศึกษาวิธีการดับทุกข์และได้ปฏิบัติจนสามารถดับความทุกข์ของใจได้หมดสิน้นหลังจากที่พูะเจ้าได้ท่งศึกษาได้ทรงปฏิบัติแล้ว พระพุทธเจ้าก็ส่งนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจให้สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ผู้ที่ได้มาศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนก็สามารถที่จะบรรลุ ถึงผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจได้อย่างสิ้นเชิงผู้ที่ได้บุญพน้นนี้ก็เรียกว่าเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าล้วหลังจากที่พระอรหันตสาวกได้บรรลุแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนให้กับพระพุทธเจ้า จึงทำให้พระธรรมคำสั่งคำสอนนี้ขยายแร่กว้างไกลออกไปเริ่มต้นจากจุดเดียวที่ในประเทศอินเดีย <S S S <c oughs> ที่พูะเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกในวันอาสาฬหาบูชาวันเพ็ญเดือนแป <c oughs> หลังจากที่ทรงแสดงธรรม ให้กับผู้ฟังก็คือพระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็ได้บรรลุถึงอริยผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีอีกจนในที่สุดพระปัญจวัคคีทั้งห้ารูป ก็ได้บรรลุถึงขั้นพระอรหันตผลอาลัตผลได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดให้พระบัญจารวกขีทั้งห้านั้น <c oughs> ให้แยกทางกันไปเผยแผ่ธรรมะตาม สารทิศ ต, ต่างๆอย่าไปด้วยกันเป็นกลุ่ม <c oughs> เพราะจะกระจกอยู่กับที่ให้กระจายไปกันไปทิศละคนละทางทิศทางคนละคน <c oughs> เพื่อที่จะได้นำ <c oughs> พระธรรมอันวิเศษนี้ไปเผยแผ่ไปสั่งสอนให้กับผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่ ให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์เมื่อได้มีการกระจายออกไปเผยแผ่ <c oughs> ก็ได้มีการแสดงธรรมสั่งสอนได้มีการศึกษาได้มีการปฏิบัติ <c oughs> แล้วก็ได้มีการบรรลุ ธ, ธรรมตามลำดำับยึงปรากฏมีพราะอารหันต์ปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ในระยะอันเวลาที่ไม่นานเลยคือหลังจากที่ได้ทรงสแสดงธรรมในวันเพ็ญเดือนแปดแล้ว <c oughs> ต่อมาในวันเพ็ญเดือนสามก็คือประมาณเจ็ดเดือนต่อมา <c oughs> ก็ปรากฏมีพาาาระอรหันตสาวกหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปด้วยกันได้มาเฝ้า พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนในวันที่เราเรียกว่าวันมาคาบูชาวันเพ็ญเดือนสามอันนี้แหละเป็นการ <c oughs> แสดงให้เห็นถึงพลานุภาพของพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถที่จะ ทำให้ผู้ที่ตกอยู่ในกองทุกข์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างอย่างสิ้นเชิงอย่างราบคาบได้อย่างง่ายดายและอย่างรวดเร็ว เ, ออเพราะว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรุปแล ะ, สะแสดงธรรมโปรดต่อศาสตร์โลกนั้นไม่มีผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เลยแม้แต่ผู้เดียว เป็นระยะเวลาอันยาวนานมาก่อนไม่มีใครได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์จะมีบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ก็เป็นเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์การที่จะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้นี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง <c oughs> ซึ่งในยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดสรู้ก็ไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตตกทางหลงเหลืออยู่ในในโลกนี้เลยพระพุทธเจ้าตอนทรงบำเพ็ญ ที่บวชเป็นพระสัมมณณโคดมก็พยายามที่จะศึกษาหาวิธีที่จะทำให้พระไทยของพระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดองค์ใดสามารถสอนให้พระพุทธเจ้าหรือ สมมาคูดมนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลยสอนให้หลุดพ้นได้เพียงชั่วคราวด้วยการเข้าไปในสมาธิขั้นต่างๆสมาธิขั้นรูปฌปานก็ดีสมาธิขั้นอรูปฌานก็ดีเป็นที่ดับความทุกข์แบบชั่วคราวเวลาใจวุ่นวายแล้วถ้ามีสติกำลังพอ ที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจให้หยุดระ ง, งับคิดได้พอใจหยุดคิดตั้งอยู่ในความนิ่งในความสงบความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็หายไปหมดแต่พอออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดเริ่มไปรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะที่เข้ามาสัมผัส ทางตาหูจมูกนิ้นกายใจก็เกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์เหมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษากับพระอาจารย์หลายๆรูปแล้วก็ทรงเห็นว่าไม่มีใครสามารถที่จะทรงสอนพระองค์ให้ หลุดพ้นจากความทุกข์แบบถาวนได้ก็เลยทรงต้องศึกษาด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ทรงพบทางอันประเริดที่เรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางศูนทางที่พาให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ทำให้พระองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์องค์แรกของโลกยุค ป, ปัจจุบันเราถึงเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระอาหารหันตะสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยความเพียรพยายามด้วยสติปัญญาด้วยการปฏิบัติของพระองค์เองราศจากครูบาอาจารย์มาสอน เรียกพ่ออง์ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าตามลาดับต่อมาเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่เรียกตนเองว่าพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยตนเองด้วยความสามารถของตอนเอง แต่หลุดพน้นจากการได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ดีหรือโดยทางอา้อมก็ดีก็คือผ่านทางพระพระอรหันหตสาวกรูปอื่นก็ดีก็จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันหตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันหตสาวกคําว่าสาวกก็คือลูกศิษย์นี่เนือ ผู้ฟังผู้ศึกษานิสิตนักศึกษาสาวกนี้ก็คือต้องมีอาจารย์เป็นผู้สอนสาวกนี้เป็นผู้ศึกษาศึกษาจากใครก็ศึกษาจากพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นในยุคที่มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาและมีชีวิตอยู่และต่อมาเมื่อมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาก็สามารถศึกษาจาก พาาระอรหันตตสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะวิธีการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอรหันต์สาวก็ดีนำมาเผยแผ่เอามาสั่งสอนนี้เป็นคำสอนอันเดียวกันเป็นวิธีการอันเดียวกันผู้สอนก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติมา เหมือนกันทุกรูปทุกองค์ก็จึงไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องไปศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงตราบใดถ้ายังมีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นคำสอนที่ได้มีการบันทึกเอาไว้จดจำกันและบันทึกกันเอาไว้ในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกหรือศึกษาจากพระ อรหันตสาวกที่ยังมีชีวิตอยู่คือพระสุปฏิปโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายหรือศึกษาจากคำสอนของพระอรหันตสาวกที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังมีคำสอนเก็บบันทึกเอาไว้อยู่ในรูปแบบต่างๆก็สามารถศึกษาธรรมะเหล่านี้ได้เป็นธรรมันเดียวกันเป็นธรรม ที่สอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นี่คือขั้นตอนของพระพุทธศาสนาขั้นตอนแรกนี้ต้องต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ าถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกนี้ต้อง ป, ปฏิบัติอย่างไรบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนะเมื่อไปปฏิบัติโดยที่ไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องโอกาสที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้ย่อมเป็นไปได้ยากเพราะทางสาย ลางนี้ทางที่พุทธเจ้าได้ส่งคนพวกนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองอย่างพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงทางสายกลางอนนี้ได้ด้วยพระองค์เองแต่กว่าจะเข้าถึงได้ก็ต้องลองผิดลองถูกถึงขั้นเกือบที่จะถึงกับเสียชีวิตไปจากการทดลองการปฏิบัติ คือการอดพกายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันด้วยกันเพราะทรงคิดว่าความอยากรับประทานอาหารนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ความจริงแล้วการรับประทานอาหารนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ถารับประทานเพื่อการดำรงชีพนี้มันไม่ได้เป็นกิเลสมันไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากการอยากกินอาหารชนิดหนึ่งชนิดต่างๆแล้วไม่ได้กินอย่างนี้ก็อาจจะเกิดความทุกข์ใจได้เช่นวันนี้อยากจะกินอาหารชนิดนั้นแต่พอไปถึงร้านเขาปิดพอดีไม่ได้กินก็อาจจะเกิดความเสียใจขึ้นมาได้ พระบุตรเจ้าหลังจากที่อดพระกายอาหารถึง49วันแล้วก็ทรงเห็นว่าการอดอาหารนี้ไม่สามารถที่จะทําให้ความทุกข์ใจหมดไปได้ความทุกข์ใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ได้อดพระกายอาหารก็เลยต้องยุติการอดพระกายอาหารเพราะถ้าอดต่อไปก็ต้องตายอย่างแน่นอนเพราะร่างกายนี้แทบจะไม่มีเนื้อติดอยู่กับร่างกายแล้ว มีแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าต้องยุติการอดพกายอาหารไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะทรงเห็นว่าวิธีการอันนี้มันไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์ของใจที่ทุกข์ที่เคยมีอยู่ก่อนที่ได้อดพกายอาหารกับตอนที่ได้อดพกายอาหารมันก็ยังมีอยู่เท่าเดิม ไม่ได้ลดน้อยถอยไปเลยแม้แต่นิดเดียวจึงทรงเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ทางแล้วถ้าไปก็ถือว่าเสียเสียเวลาปะปล่าๆไม่ได้ผลไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะองค์จึงทรงหยุดและทรงกลับมาพิจารณาวิธีการที่ถูกต้องว่าควรจะเป็นอย่างไรก็ทรงเห็นว่าวิธีการที่จะทำให้ ความทุกข์ของใจนี้หมดไปนี้ต้องกลับมาที่การภาวนา<ม>การบําเพ็ญจิตตะภาวนาในเบื้องต้นทำจิตให้นิ่งสงบ<ม>แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นในใจนี้<ม>เกิดพ่อเหตุใด<ม>ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าเกิดจากความอยากต่างๆนี่<ม>อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาม ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เนี่ยพระองค์ก็ทรงใช้สติปัญญาและจิตที่มีสมาธิีีมาคอยกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระองค์ความอยากตัวไหนเกิดขึ้นมาก็กำจัดมัน ท, ทันทีนั่งภาวนาอยู่อยากจะลุกก็ไม่ให้มันลุกอยากจะขยับก็ไม่ให้มันขยับ อยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ให้มันคิดทำใจให้นิ่งให้สงบหยุดใช้ปัญญาตัดความอยากไปในที่สุดความอยากที่มีในพระไตรของโะองก็หายไปหมดพอความอยากหายไปหมดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปหมดตามก็ส่งคนทุกเรื่องของพระอริยรรสัจสี ทุกสมุทัยนิโรธมาความทุกข์ใจที่เกิดเวลาที่มีความแก่ความเจ็บความตายก็ดีเวลาที่มีการพลาดพากจากกันก็ดีเวลาที่ต้องประสบกับภาวะที่ไม่พึงปรารถนาก็ดีเกิดจากความอยากดังนั้นเกิดจากความอยากไม่แก่บ้างอยากไม่เจ็บบ้างอยากไม่ตายบ้าง อยากไม่พัดพากจากกันบ้างแล้วการที่จะหยุดความอยากนี้ได้ใจก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาต่อสู้กับความอยากอยู่ดีๆถ้าใจไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนี้จะไม่มีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้ ใจต้องมีเครื่องมือก็คือมีใจที่สงบนิ่งที่เป็นอุเบกขาและมีปัญญาที่ฉลาดที่สามารถเห็นว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้ในโลกนี้ที่ใจอยากได้ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขใจอย่างแท้จริงแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้ต้องทุกข์ใจเพราะว่าสิ่งที่อยากได้มานั้นเมื่อได้มาแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการสิ้นสุดลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการสิ้นสุดลงความสุขที่เคยที่ได้จากสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะ ต้องมาเจอกับความทุกข์ก็ต้องตัดความอยากต่างๆไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นความอยากทางโลกเช่นอยากในลาบยศสรรเสริญอยากในรูปเสียงกิริโลดพุทธภาชนิดต่างๆหรืออยากในทางภายในคืออยากความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายของตนเช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันฝืนธรรมชาติของร่างกายร่างกายธรรมชาติของมันนี้เป็นของไม่เที่ยงของที่ไม่ถาวรเมื่อมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บแล้วมีการตายตามมาตามลำดับไม่มีใครจะสามารถยับยั้งธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ เพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครมันเป็นอนัตตาร่างกายเป็นอนัตตาและความรู้สึกต่างๆก็เช่นเดียวกันความรู้สึกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีใครเป็นคนสั่งเป็นคนคอยกํากับให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้ เวลามันจะสุขมันก็สุขขึ้นมาเวลาจะทุกข์มันก็ทุกข์ขึ้นมาเวลามันไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเ <resp> วลา <people S 1> มันสุขจะทำให้มันสุขไป น, นา น, านๆก็ไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของความสุขมันก็เป็นของไม่เที่ยงมันสุขแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี<ๆ>๋ยวมันก็หมดไปอยากสุขก็มากลายเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ จากไม่สุขไม่ทุกข์ก็มากลายเป็นความทุกข์ก็ได้เวลาเกิดความทุกข์อยากจะให้มันหายไปมันก็ไม่หายตามความอยากพอไม่หายใจที่อยากให้มันหายก็เลยทุกข์ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> นีน่ีคืออริยสัจสี่ทรงเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์และการที่จะทำให้ใจหายทุกข์คือนิโรธก็ สัจธรรมอริยาศาสตว์ข้อที่สามเนี่ยทุกสมุทยัยนิโรธการที่จะทำให้นาวนิโรธปรากฏขึ้นมาเกการที่จะทำให้ทุกข์หายไปก็ต้องมีเครื่องมือก็คือมรคเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับความทุกข์นี้ก็คือมรคได้แก่ก า, การปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่คือเครื่องมือ ถ้าใครมีศีลสมาธิปัญญาหรือมีทานศีลภาวนาก็จะสามารถมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองได้แล้วเมื่อหยุดความอยากได้ความอยากความอยากต่างๆได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะหลุดพ้นจากความความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นด้วยการปฏิบัติเนี่ย ศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาทำไมถึงมีสองอย่างด้วยกันเ<ม>พราะผู้ปฏิบัตินี้มีอยู่สองระดับด้วยกันศีล<ม>สมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือของผู้ที่เป็นนักบวชผู้ที่ไม่ได้ครองเลือนไม่ได้เป็นผู้ที่ครองเลือนเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติเข้าของเองินทองจึงไม่จำเป็นที่จะต้องทาทาน เพราะไม่มีอะไรจะทำเวลามาบวชนี rist, ้ไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวมาด้วยเลยสละไปหมดแล้วทำทานไปหมดแล้วถ้าเป็นนักบวชยังไม่ต้องไม่ต้องทำทานติดต่อไปเพราะทำเสร็จแล้วภารกิจการทำทานนี้น um ักบวชทำมาก่อนแล้วก็เหลือแต่ภารกิจที่ต้องทำต่อไปก็คือสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมา อันนี้คือระดับของนักบวชเขาจะเขาสอนไตสิกขาคือการปฏิบัติสามข้อไตแปล ว, ว่าสามสิกขอสิกขาก็คือข้อปฏิบัติปฏิบัติสามข้อด้วยกันคือศีลถ้าเป็นนักบวชก็ต้องรักษาศีลสองร้อยยิบเจ็ดข้อขึ้นไปพระวินยัยนี่ก็พระวินยัยข้อห้ามต่าง ๆ, ๆเพื่อที่จะกำลาบหรือ หรือล้อมกรอบความอยากไม่ให้มันไม่ให้มันขยายตัวออกไปเหมือนกับขังมันไว้ในกรงศีลนี้เป็นเหมือนกรงที่จะขังความอยากต่างๆไว้ไม่ให้มันทำา อ, อกนอกนอกลูก่นอกทางที่จะนําไปสู่ความเสียหายความเสื่อมเสียของผู้กระทาและจะทำให้เกิดความเสื่อมเสื่อมศรัทธาของผู้ที่ มีความศรัทธาความเคารพนับถือเป็นนักบวชเลยจำเป็นที่จะต้องมีศีลที่มากกว่าเป็นผู้ครองเลือนเพราะว่านักบวชนี้ต้องอยู่อาศัยต้องอาศัยการให้ของของผู้อื่นเพื่อให้การให้ของผู้มีจิตศรัทธาอย่างศรัทธายาโยนี้ศรัทธาญาโยนี้ยินดีที่จะทําบุญกับพระที่มีศีลที่บริสุทธิ์เพราะว่า เป็นสิ่งที่น่าศรัทธาเลื่อมใสเพราะตนเองนี้ยังไม่สามารถที่จะรักษาศีลแบบท่านได้เมื่อเห็นท่านรักษาศีลเหล่านี้ได้ก็เกิดความศรัทธาที่อยากจะสนับสนุนอุปธรรมอุปถาให้ท่านได้ปฏิบัติภารกิจของการเป็นนักบวชให้ได้ไปถึงจุดสูงสุด คือให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะได้เอาความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษานี้และการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับศรัทธาญาติโยมต่อไปการเป็นนักบวชจึงมีข้อห้ามเยอะกว่าการเป็นคารวะเสียงของนักบวชกับเสียงของคารวะนี้จึงไม่เท่ากัน เนนักบวชนี่้อยี่สิบเ็ข้อส่วนศีลของฤรวาสผู้ครองเรือนที่อยู่ในทานศีลภาวนานี้ก็ขอให้ถือศีลแปดขึ้นไปก็ก็พอพอต่อการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติสมาธิและปัญญาคือการภาวนาก<ม>ารภาวนานี้ก็แปลก็คือการจเจริญสมาธิและการจเจริญปัญญา เรียกว่าภาวนามีชื่อการเจริญสมาธินี้เราก็มีชื่อว่าสมถภาวนาส่วนการเจริญปัญญานี้ก็มีชื่อเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเ<ม>งนทานศีลภาวนานี้ความจริงก็คือทานศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเพียง<ม>แต่ว่าท่านแทนที่จะใช้คําว่าสมาธิปัญญา ท่านใช้คำว่าภาวนาแทนภาวนาจึงมีสองขั้นด้วยกันขั้นสมาธิก็เรียกว่าสมถภาวนาขั้นปัญญาก็เรียกว่าวิปัสนาภาวนาแต่ในไตรสิกขานั้นท่านก็ไม่เรียกภาวนาท่านเรียกสมาธิและปัญญาสีนสมาธิปัญญาแต่ก็ขอให้เราทราบว่ามันเป็นมรรค คือเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ซึ่งศีลสมาธิปัญญานี้ก็ย่อมาจากมรรคที่มีองค์แปดมรรคที่มีองค์แปดเครื่องมือที่จะเอามาใช้ในการหยุดความอยากต่างๆนี้มีอยู่แปดข้อด้วยกันความจริงแต่ย่อส่วนลงมาเหลื อ, เห ล, อ 3, เหลือสามเหลือศีลสมาธิปัญญา ศีลนี้ก็ประกอบด้วยมรรคองที่ อ, องที่องที่สามที่สี่สัมมากรรมโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบวาจาชอบแล้วก็สัมมาอาชีวการมีอาชีพชอบคืออาชีพที่ถูกต้องคำว่าชอบนี้แปลว่าถูกต้อง ศีลก็ประกอบด้วยสัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีโวอันนี้อยู่ในกลุ่มของศีลส่วนในกลุ่มของสมาธิก็มีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบสัมมาสติก็คือการเลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิคือการตั้งมั่น ชออันนี้เป็นส่วนประกอบของของสมาธิผู้ที่จะมีสมาธิได้ต้องมีความเพียรเพียรเจริญสติเมื่อมีสติก็สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้อันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มของของสมาธิมีสามองค์ด้วยกันสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ส่วนองประกอบของปัญญาก็มีอยู่สอง<ม>ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังขัโปสัมมาทิฏฐิแปลว่าการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบ<ม>เห็นอริยรรสัจสี่นี่เรียกว่าเป็นความเห็นชอบ<ม>เห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่ได้เกิดจากอะไรทั้งสิน้นเกิดจากความอยากของใจและทุกข์จะดับไปได้นี้ต้องหยุดความอยากให้ได้ แลนะสิ่งที่จะมาหยุดความอยากได้ก็คือมรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาหรือหรือทานศีลภาวนาอันนี้เป็นเป็นเครื่องมือที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาองประกอบคือสมาทิติคือความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าทุกอยู่ในใจของเราเกิดจากความอยากของเราอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้เวลาเราทุกข์ใจเราไม่สบายใจโทษตัวเรานั่นแหละเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เองพอเขาไม่เป็นตามความอยากเราเราก็ทุกข์เท่านั้นเองเรามาหยุดความอยากเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เขาจะทำอะไรเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่ใจของเราจะไม่ทุกข์ถึงแม้เขาจะมาทำร้ายร่างกายเราเขาก็ทำร้ายได้แต่แค่ร่างกายของเรา ทำให้ร่างกายของเราทุกได้แต่เขาจะไม่สามารถทำใจของเราให้ทุกได้ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ไม่มีความอยากให้เขาทำหรือไม่ทำอะไรกับเราปล่อยให้เขาทาได้เต็มที่ใจก็จะไม่ทุกเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือองค์ประกอบของปัญญาส ม, มาธิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องก็นาเนินไปสู่การความคิดที่ถูกต้อง ความคิดอย่างไรคิดที่ถูกต้องก็ ค, คิดละละความอยากนะถ้าเราต้องละความอยากต่างๆและการที่เราจะละความอยากได้เราก็ต้องสร้างมรรคขึ้นมาเราก็ต้องสร้างศีลสมาธิปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะไม่มีความสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ๆๆไดเหมือนกับเวลาที่ถ้าเราเป็นคนขับรถนี้แล้วเร า, เราไม่ทราบสมัยนี้เขายัง มีอยู่ก็เปล่าก็คือเวลายางแตกเนี่ยก็ต้องจอดรถวิ่งไม่ได้ยางแตกแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนยางมันก็ต้องมีเครื่องมืออยู่ดีๆจะไปยกล้อขึ้นมาแล้วถอดมันออกมาด้วยมือเปล่ า, ลานี้ย่อมทำไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องมือต้องมีแม่แรงขันต้นต้องยกรถให้ขึ้นลอยขึ้นมาให้ล้อมันลอยขึ้นมาก่อนแล้วก็มีเครื่องขันน็อตเพื่อที่จะถอดน็อตที่ขันล้อให้ออกมา เมื่อขันนดัดคลายนอดออกมาแล้วก็สามารถเอาอยางแตกนี้ออกมาได้แล้วก็เอาอยางยางดีใส่เข้าไปแทนต้องมีเครื่องมือฉันใดความทุกข์ของเราที่เกิดจากความอยากของเราตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือยังไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรือไม่มีทานศีลภาวนาหรือไม่มีมรรคแปดอันนี้องค์เดียวกันเหมือนกันทนั้นเองต่างกันนิดเดียวตรงที่ เรื่องของทานทานกับศีลสมาธิปัญญานี้ต่างทานทานศีลภ า, าวนากับศีลสมาธิปัญญานี้ต่างกันเพราะว่าผู้ปฏิบัตินี้อยู่คนละภาวะกันอยู่คนละระดับกันทำไมถึงต้องสอนให้คารวะทาทานเพราะว่าทานนี้มันเป็นการกำจัดอุปสรรคที่จะนำไปสู่การรักษาศีลสู่การภาวนานั่นเอง ถ้ายังมีใจเสียดายเงินเสียดายทองยังหวงเงินหวงทองอยู่ยังอยากจะหาเงินหาทอง<ม>เพื่อเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็<ม>จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลได้ไม่มีเวลาที่จะไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมได้เพราะวันๆหนึ่งก็จะมัวแต่ยุ่งแต่การหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองมาก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่าง ๆ, ๆ ไปซื้อเพราะคิดว่ากับเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราก็ใช้เงินทองนี่แหละเป็นตัวที่มาดับความทุกข์ใจซึ่งการใช้เงินทองไปซื้อความสุขต่างๆมันก็ดับความทุกข์ใจได้แบบชั่วคราวเช่นเราไม่สบายใจเราไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวกันไปลืมความทุกข์กันกพักๆหนึ่งไปเฮากันไปฉลองกันแต่พอเรากลับมาวันจันทร์ กลับมาทำงานกลับมาเจอกับปัญหาต่างๆความทุกข์ที่หายไปนั้นความทุกข์ที่เกิดจากการไปเที่ยวมันก็ ม, มันก็กลับมาอีกมันหายเป็นชั่วคราวมันไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ที่แท้จริงวิธีการดับความทุกข์ที่แท้จริงนี้ต้องมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เรานี้ไม่มีปัญหากับเรื่อง การหาเงินกับการใช้เงินมาดับความทุกข์ก็คือเวลาที่เราอยากจะใช้เงินดับความทุกข์ก็ให้ใช้ไปด้วยวิธีการทำบุญทำทานแทนเพราะการทำบุญทำทานนี้ดับความทุกข์ใจได้ในระดับหนึ่งเวลาเราทำบุญทำทานแล้วความทุกข์ที่เรามีอยู่นี้ก็จะหายไปเพราะจะเกิดความสุขขึ้นมาในใจเราทำให้ใจเรารู้สึกสบายขึ้น mm hmm. พอใจมากขึ้นแล้วก็เป็น วิธีดับความทุกข์ที่จะทำให้เรานี้สามารถหยุดวิธีการดับความทุกข์ที่ไม่ถูกต้องได้คือทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินไปหาความสุขด้วยการไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรทำนองนี้หรือซื้อของต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นเราเอาเงินเหล่านี้มาทำบุญดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้วความอยากที่จะดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินซื้อความสุข ทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้มันหยุดได้ต่อไปเราก็จะไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองเพื่อที่จะไปดับความทุกข์เพราะว่าเราจะได้มีเวลาที่เราจะได้ไปปฏิบัติขั้นสูงต่อไปก็คือการไปรักษาศีลและการไปภาวนาได้นัวเองอ น, นี่คือเบื้องต้นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ครองเรือนกันทั้งนั้น เมื่อเป็นผู้คลองเงินเมื่อยังเคยใช้เงินใช้ทองดับความทุกข์อยู่ก็ต้องเลิกใช้มันใช้เงินใช้ทองด้วยการทําบุญทาําทานซึ่งเป็นวิธีการที่จะหยุดความอยากที่จะใช้เงินในการไปดับความทุกข์ด้วยการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถัภภะ่ะชนิดต่างๆให้เอามาทําบุญทําทานแทนก็จะช่วยบรรเทาความความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทั้งหมดนะบรรเทาลงเท่าทนั้นเองพอถึงพอจนถึงแล้วทาไปจนถึงเราเห็นว่าการใช้เงินทองไปดับความทุกนี้ไม่ใช่วิถีทางเพราะเป็นการที่จะทำให้เราต้องติดกับการหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองและแทนที่จะเป็นความสุขอย่างเดียวก็อาจจะเกิดความทุกข์ตามมาเมื่อเวลาเรามีปัญหา เมื่อไม่สามารถหาเงินหาทองตามที่เราต้องการได้ใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาอีกฉนั้นวิธีการแค่การดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินทองนี้เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเพีงไม่ควรที่จะใช้มันควรจะใช้วิธีที่พระเจ้าทรงสอนก็คือมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญ เจริญสมาธิและการจเจริญปัญญานีเองอถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็อาจจะมาปฏิบัติได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวก่อนเพราะยังมีภารกิจหน้าที่การงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องดูแลคนที่เรามีความภาระผูกพันอยู่ก็อาจจะยังไปบวชไม่ได้ก็อาจจะต้องไปแบบบวชชั่วคราวไปก่อนเทนพระพุทธเจ้าทรงสอน ให้ศรัทธาญาติโยนี้บวชในวันพระกันวันพระหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี้ให้เอาเวลานี้มาให้กับการปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ทำบุญทำทานไตรบาทหรือทำบุญทำทานแบบไหนก็ได้แล้วก็มารักษาศีลแปดที่วัดหรือ ท, ที่ที่มันสงบการยาภาวนาการที่จะทำใจให้สงบ ให้เกิดสมาธิและให้เกิดปัญญาตามลำดับได้ในจำเป็นจะต้องอาศัยที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกดลดิ่นรสผดภพะเพราะถ้าเกิดใจไปอยู่ใกล้พอได้สัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นรสนี้ความอยากมันจะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีพอเห็นเขาดูดูโทรทัศน์ดูละครดูทีวีก็อยากจะดู ท, ทันทีพอได้ยินเสียงที่เราชอบเสียงบันเทิงต่าง ก็อยากจะฟังขึ้นมา ท, ทันทีถ้าเห็นอาหารก็อยากที่จะรับประทานทันทีเกิดความอยากขึ้นมาทันทีพอเกิดความอยากแล้วใจก็จะใจก็จะฟุ้งซ่านใจจะวุ่นวายจะทำให้การทำใจให้สงบนิ่งเป็นสมาธินี้ทาได้ยากดังนั้นผู้ที่ต้องการจะบาเพ็ญจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนานี้ จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาต่างๆซึ่งที่ที่ห่างไกลนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นวัดวารามวัดที่มีการปฏิบัติธรรมเป็นวัดป่าวัดเขากันเพราะผู้ที่ไปสร้างวัดป่าวัดเขานี้เป็นผู้ปฏิบัติภาวนารู้ถึงความสำคัญของสถานที่ที่สงบสงัดวิเวก ว่ามีคุณค่าต่อการปฏิบัติอย่างไรนั่นเองจึงมักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันจะไม่ค่อยมาอยู่ตามบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงภา พ, พยนตร์อยู่ใกล้กับโรงน้ําชาอยู่ใกล้กับโรงบาร์ผับต่างๆสถานบันเทิงต่างๆสมัยนี้บางทีสนาสถานบันเทิงอยู่ติดกับ อยู่ติดกับวัดเลยก็มีตอนกลางคืนก็เสียงส่งเสียงบุมบงบ่มบั่มบุ่มบัพาพาไม่ทราบท่านจะทําใจให้สงบได้ไงออกมานอกวัดก็มีแต่รูปโยนโยนโ ก, ก, กนกิเลสเต็มไปหมดถ้าจะภาวนาแล้วไม่มีทางสําเร็จได้นะถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะว่าแสงสีเสียงนี่มันมีอิทธิพล ต่อจิตใจเป็นอย่างมากมันจะทำให้ใจนี้เกิดนิวรณ์ขึ้นมาเกิดการม่นฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสแทนที่อยากจะนั่งสมาธิก็อยากจะไปเปิดมือถือดูแล้วว่ามีอะไรให้ดูบ้างมีอะไรให้ฟังบ้างมีเกมให้เล่นดีกว่ามันก็เลยอย่างนี้วัดปฏิบัติบางแห่งนี้เขารีบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่ให้เพราะเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัย มันเป็นอุปสรรคต่อการบําเพญนะ็ญวัดที่ปฏิบัติเคล่งนี้พอไปอยู่วัดก็ให้เราฝากมือถือไว้กับกับวัดนะก็ไมใ่ให้เอาเข้ามาใช้เพราะมันจะไม่ได้ผลนะถ้ามีมือถือเดียวมันอดไม่ได้นะเดี๋ยวอดคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ก็เปิดดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะเขาส่งข่าวมาหาเรารึเปล่าตอนนี้ก็กาลังทำอะไรเขาโพสอะไรอยู่นะ มันก็เลยทำให้ไม่มีกจิกขะจที่จะภาวนาได้นั้นการจะภาวนาได้นี้จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงเสียงยั่วยวนกวนใจทั้งหลายทั้งปวงแล้วนอกจากนั้นก็ยังต้องไปถือศีลต้องถือศีลแปดขึ้นไปเพราะว่าศีลแปดนี้จะจะห้ามให้ไม่ให้เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดด้วยวิธีการต่างๆ เป็นศีลข้อสามก็ห้ามร่วมเพศกันถ้าศีลห้ายังอนุญาตให้ร่วมเพศกับแฟนของเราได้แต่ถ้าถือศีลแปด น, นี้ถึงแม้จะเป็นแฟนก็ไม่ให้ร่วมเพศกันหนึ่งวันหนึ่งคืนเพื่อจะได้เอาเวลาที่ไปร่วมเพศนี้มาให้กับการปฏิบัติสมาธิและปัญญานั่นเองนี่คือหน้าที่ของศีลข้อสามในศีลแปด สินข้หกก็ให้เราลดความอยากกินอาหารให้น้อยลงไปให้เรากินพออยู่ได้ก็พอเพราะการรับประทานอาหารมากๆก็จะทำให้ใจเราจะทำให้เราง่วงนอนจะทำให้เราเกียดคานเวลานั่งรับประทานอาหารอิ่มๆแล้วจะไม่อยากนั่งสมาธิจะไม่อยากเดินจงกรมไม่อยากฟังเทศฟังธรรมมีแต่หาวอย่างเดียว นั่นต้องกินไม่ให้มากกินเพื่ออยู่ได้ก็พอก็เลยให้กินเพียงแค่ครึ่งวันก็พอหลังจากครึ่งวันแล้วมันจะได้ไม่มีอะไรมาขวางในการปฏิบัติในช่วงเช้าถึงกลางวันก็ถือว่าเป็นช่วงให้เป็นการดูแลเรื่องของร่างกายไปก่อนร่างกายต้องเติมอาหารก็ให้อาหารไปแล้วหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้เติมอาหารอีก เพื่อที่ร่างกายจะได้ไม่ไม่ง่วงไม่ขี้เกียจจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมาเจริญจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาอันนี้คือหน้าที่ของศีลข้อที่หกคือป้องกันความง่วงนอนที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารมากเกินไปแล้วก็ทำให้ไม่ไม่เกียจค้าน เพราะว่าเวลาท้องว่างนี่มันจะไม่มันจะรู้สึกหิวนิดๆแล้วมันจะทำให้เกิดความกระตือรือร้อนที่อยากจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้ใจสงบเพราะถ้าปล่อยให้ความหิวเกิดขึ้นมากๆแล้วมันจะทนไม่ได้ต้องใช้การภาวนาต้องใช้การจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อให้ใจไม่ไปคิดถึงเรื่องอาหารพอไม่คิดถึงเรื่องอาหารแล้วความหิวมันก็จะหายไป น, นี่คือศีลข้อที่6ศสี่ข้อที่7ก็คือห้ามไม่ให้ไปสัมผัสกับพวกม ห, มหรสลพบันเทิงต่างๆเช่นการดูภาพยนตร์ฟังเพลงร้องรำทำเพลงก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสถานที่บันเทิงก็ได้เดี๋ยวนี้ในมือถือเราสถานบันเทิงมันมาถึงมือเราแล้วอันนี้ก็เลยต้องปิดมือถืออย่าไปเปิดอย่าไปดูอย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นล้ แล้วก็อย่าไปเสริมความงามของร่างกายเพราะมันจะทําให้เสียเวลาต้องมาคอยคอยหวีผ้าหวีผมคอยแต่งหน้าทาปากคอยหาเสื้อผ้าสวยๆงามงามมาใส่เพราะไปเราไปปฏิบัติอยู่ในปา่าไม่จําเป็นจะต้องแต่งกายแบบนี้นจะได้ไม่เสียเวลาแต่งกายแบบเรียบง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องสำอางเครื่องอะไรต่างๆอาบน้ําก็ใช้สบู่ฟอกก็พอลอกให้ร่างกายสะอาดหวีผ้าหวีผมก็เสร็จภาร ะ, ะเสื้อผ้าก็แบบเรียบง่ายชุดขาวไปชุดขาวหรือชุดชุดดาขาวก็ได้บางแห่งก็ให้ใส่ใส่เสื้อขาวใส่กระโปรงหรือกางเกงสีดำํำบางแห่งก็ให้ใส่ชุดขาวเพื่อความเรียบง่ายอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รักษาสีแปด แล้วก็ที่แปดนี้ก็ก็คือไม่ให้นอนบนบนบนฟูกหนาหนาไม่ให้นอนบนเตียงที่สำลาญคือที่เต็มไปด้วยความสุขเพราะว่ามันจะนอนมากเกินไปเป้าหมายของการนอนนี้มีไว้เพื่อพักผ่อนร่างกายร่างกายนี้ต้องการเวลาพักผ่อนคืนแล้วไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็พอแต่ถ้าเราปล่อยให้ไปนอนบนฟูกนาหนาไปเตียงสาราญเตียงที่มีความสุข เลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วใจจะไม่อยากจะลุกใจก็จะข อ, อนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงก็จะทำให้เสียเ ว, เวลาของการปฏิบัติไปแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสื่อนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วพอตื่นขึ้นมาก็อยากก็จะไม่อยากนั่งต่อไปออก็จะรีบรุกขึ้นมาเดินจงกรมห น, นั่งสมาธิ เพราะเป้าหมายของการไปอยู่วัดของการไปปฏิบัติก็เพื่อไปดับความทุกข์ไปสร้างเครื่องมือสร้างมรรคสร้างมรรคที่เป็นองค์แปดด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือด้วยทานศีลภาวนานี้ก็เป็นมรรคเหมือนกันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปมีสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสามาธิเหมือนกัน ไม่ ว, ว่าจะเป็นทางศีลภาวนาก็ดีไม่ ว, ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาก็ดีล้วนเป็นมรรคแบดทางนั้นล้วนเป็นทางสายกลางทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป้าหมายของการไปปฏิบัติก็เพื่อไปสร้างมรรคนี้เองไปสร้างศีลไปสร้างสมาธิและสร้างปัญญาพอเรารักษาศีลได้มีที่สงบวิเวงแล้วขั้นต่อไปก็คือต้องหมั่นเจริญสติตลอดเวลา เพราะการจะทำให้ใจสงบเข้าสมาธิได้นี้จะต้องมีสติเป็นตัวต้อนใจให้เข้าไปหรือห้ามใจไม่ให้ออกมาใจเราชอบออกมาทางความคิดใจเราชอบคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยถ้าเราไม่มีอะไรคอยต้อนมันกลับเข้าไปมันก็จะทำให้ใจไม่มีวันนิ่งได้นั่งสมาธิไปกี่ชั่วโมงก็ไม่มีวันนิ่งได้ถ้าปล่อยให้ใจคิด ดันั้นจึงจำเป็นจะต้องหยุดความคิดให้ได้และทำที่จะมาหยุดความคิดได้นี้เราเรียกว่าสติสติก็คือการการกา ร, การที่จะมีสตินี้ทําอย่างไรก็ให้เราให้ให้มีการระลึกรู้ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่นจะเราระลึ ก, ร, ลกรู้คําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ถ้าเราพุทโธพุทโธไปตลอดเวลานะไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้น ควรจะพุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยควบคุมความคิดด้วยพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็เราไปทําภารกิจส่วนตัวก็พุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเนยภารกิจเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดมากอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเมื่อวานนี้คิดถึงพรุ่งนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ ถ้าคิดแล้วมันจะทําให้เวลามานั่งสมาธิใจจะไม่สงบนั่งแล้วก็จะไม่เกิดผลเราจะทําให้เกิดความท้อแท้แต่ถ้าเราสามารถคอยควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก่อนที่มันจะคิดถึงคนนั้นคิดนี้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปลุกขึ้นจากเตียงเดินขึ้นไปเข้าห้องน้ําทําหน้าที่อะไรก็พุทธโธไปพุทธโธได้ตลอดเวลาไม่ถือว่าเป็น เป็นการไม่เคารพถึงแม้จะพุทโธอยู่ในห้องน้กาก็ตามในแนวทางการปฏิบัตินี้ถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าถ้าเรามีพุทโธนี่เรียกว่าเรามีปฏิบตับติบูชาเนฉะนั้นจะบูชาที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ไม่สำคัญการบูชาอยู่ที่ใจบูชาด้วยการปฏิบตับติบูชาคือการเจริญสติ การเจริญสตินี่นะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชานั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราพุโทโธไปขณะที่เราทํากิจอะไรไปนี้เรียกว่าเป็นการบูชาถ้าตรอบใดเราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้เป้าหมายของการเจริญสติอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การควบคุมความคิดนอกจากการใช้พุโทโธแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ควบคุมความคิดได้ก็คือให้เราคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนก็รู้ว่ากำลังยืนกำลังนั่งกำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟันไม่ทำอะไรให้ใจเฝ้าดูอยู่กับเรื่องที่ร่างกายทำอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการเจริญเจริญสติอีกแบบหนึ่งการใช้พุทโธนี้เราก็เรียกว่าใช้พุทธานุสติ ใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่เจริญสติถ้าเราใช้ร่างกายเราก็เรียกว่ากายกตตาสติสองวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ได้ทั่วไปทุกกรณีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดนี่คือเรื่องของการเจริญสตนะิพอเรามีเวลาเสร็จจากภารกิจการงานต่างๆที่เราต้องทาแล้วเราก็มานั่งสมาธิต่อเวลานั่งเราก็นั่งถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็จะเป็นท่าที่ดีที่สุด พเป็นท่าของนักนักปฏิบัติมืออาชีพแต่ถ้าเรานั่งท่าขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อนก็ได้ข้อสำคัญก็คือให้เรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องพอเรามานั่งถ้าเราใช้พุทโธอยู่แล้วก็พุทโธต่อใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูลมด้วยไม่จาเป็นเลยพุทโธอย่างเดียวก็สามารถทำใจให้สงบได้แต่บางท่านนี่ก็อยากจะใช้ลมมาช่วย ให้มีสติมากขึ้นก็ได้เช่นเวลาดูเวลาว่าพุทธก็ดูลมเวลาดูลมไปด้วยลมหายใจเข้าก็ว่าพุทธลมหายใจออกก็ว่าโทก็ได้หรือลมหายใจเข้าก็ว่าพุทธโธลมหายใจออกก็ว่าพุทธโธก็ได้หรือไม่ต้องว่าก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ใน <ology. S 1> ในคำพีในสติปัฏฐานสูตรในท่านสอนให้ดูลมอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้คาบริกรรมพุทโธกากับให้ดูลมที่ปลายจมูก ให้รู้เฉยๆไม่ต้องคิดปรุงแต่งไม่ต้องไม่ต้องไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เฝ้าดูลมถ้าเราเฝ้าดูลมอย่างจดจ่อจริงๆแล้วเราจะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ให้อยู่กับลมที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกรู้เฉยๆลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาว ไม่ต้องไปบังคับให้มันสั้นไม่ไม่ต้องไปบังคับให้มันยาวเพราะว่าร่างกายบางทีก็หายใจสั้นบางทีก็หายใจยาวก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราไม่ได้มาควบคุมลมไม่ได้มาบังคับลมให้หายใจสั้นหรือหายใจยาวหน้าที่ของเราคือใช้ลมเป็นที่ตั้งสติเป็นที่ผูกใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองถ้าเราสามารถที่จะจดจ่อเฝ้าดูลมได้นี้ ใจก็จะค่อยๆสงบนิ่งไปแล้วก็นิ่งเป็นใดที่สุดมันก็จะนิ่งสงบเต็มที่ความคิดหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลาพังแล้วก็อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่มหัศจรรย์ใจ <S <S ถ้าใจนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะพบกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนดังที่พระเจ้าได้ทรงตรัสเสมอว่านัตสันติป ร, รังสุขขัง สุขที่เหนือกว่าสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบในโลกนี้ไม่มีมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าผู้ใดสามารถเข้าถึงความสุขั น, นี้ได้แล้วจะทำให้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปตลอดจะอยากจะหาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดก็อาจจะนำพาไปสู่การบวช และการปฏิบัติแบบเข้มข้นต่อไปเมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดยั้งแล้วต่อไปใจก็จะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้สามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะอยู่โดยปราศจากความทุกข์ใจที่ไม่มีความทุกข์นี่แหละเป็นใจที่มีความสุขที่อย่างยิ่งใหญ่เรียกว่าใจ เรียกว่าพานิพานนิบานังปรามัง ส, สุขขังนิพานนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนิพานก็คือใจที่ดับความทุกข์ทั้งหลายได้หมดแล้วใจที่กำจัดความอยากต่างๆหรือกิเลสปัญหาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปแล้วอันนี้แหละคือเป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ปฏิเวทให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพาน ให้ใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเมื่อเรารู้จักวิธีการปฏิบัติและได้ปฏิบัติจนกระทั่งความทุกข์ได้หลุดพ้นได้หมดสิ้นไปจากใจแล้วขั้นต่อไปเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถอ น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ได้ช่วยให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่ก็คือเรื่องราวของของทาง พระพุทธศาสนาขั้นตอนต่างๆของของการดําเนินการภารกิจทางศาสนาที่มีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งศึกษาฟังเทศฟังธรรมสองปฏิบัตินำธรรมที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติจนบรรลุผลเรียกว่าปฏิเวทเป็นขั้นที่สามพอบรรลุแล้วหนุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็นําไปสู่ขั้นที่สี่คือการเอาความรู้ความสามารถนี้ ไปสอนผู้ที่สนใจต่อไปอันนี้ก็จะทำให้ศาสนาของเรานี้อยู่ต่อไปได้อย่างยาวนานศาสนาของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่สาวราวรวัตถุต่างๆไม่ได้อยู่ที่โบส ท, ที่เจดีย์แต่อยู่ที่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการเผยแพร่ถ้ายังมีสีขั้นตอนนี้อยู่พระพุทธศาสานานี้จะไม่หายไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาเวาหาปุราปาริปุเรติสาขลังเอวเมวอิโตทินางเปตานางอุ ป, ปกัปฏิ อิติตังปะติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะ h ามณิโชติร a โสยะธาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุ มาเตผวะตวันตาลอยสุขิีคายุโกผวะอภิวาตนาสีลิะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวัทานเตอายุวันโอสุขังพาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 497ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์274 YouTube ดรวีชั n นเอ62วิทยุออนไลน์7ครับ House 4นาขุด195รวมทั้งหมด 1,039 ท่านค่ ะ, ะมาริกามีอะไรถามเลย ข้อกรกาบนักมัจจรกราบเรียนฐานพระอาจารย์นะคะว่าการทําบุญในแต่ละครั้งถ้าเราไม่ได้อุทิศบุญหรืออธิษฐานบุญบุญที่ได้จะได้รับเหมือนกันหรือต่างกันหรือเปเล่าจะค่ะกราบเรียนถามคนทํานี้ได้เหมือนกันคือถ้าอุทิศบุญคนที่เราอุทิศเขาก็จะได้บุญด้วยเช่นเราทําบุญแล้วถ้าเราอุทิศให้พ่อแม่เพ่อแม่เขาก็ได้ส่วนหนึ่งที่เราส่งไปให้เขาแต่เราก็ยังได้ส่วนของเราอยู่ บุญอุทิตนี้ไม่ได้หมายถึงอุทิศหมดไปเลยก็อุทิตไปเพียงเหมือนเสียภาษีเงินเสียภาษี ส, ส, <ม>ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของเราอยู่<ม>ส่วนอธิษฐานไม่อธิษฐานนี้คือก่อนจะทำบุญมันก็ต้องคิดแล้วคิดจะทำบุญการคิดจะทำบุญนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานแล้วแต่ถ้าคิดว่าถ้าจะาที่อธิษฐานแบบว่าก่ อ, อนจะสายบานนี้ขอให้ได้ไปสวรรค์ไปนิพพานไป อันนี้มันไม่ได้หรอกคือขออย่างไงมันก็อยู่ที่ว่าเราเราซื้ออะไรเราก็ได้ของที่เราซื้อใช่ซื้อรองเท้าแล้วไปขอให้ได้บ้านมันเป็นไปไม่ได้ไนะงั้นการทำบุญนี้ก็ได้แค่สวรรค์จะไปนิพพานไม่ได้จะไปพรหมโลกไม่ได้ถ้าอยากจะไปพรหมโลกก็ต้องนั่งสมาธิถ้าอยากจะได้นิพพานก็ต้องเจริญมรรคแปดนี้มันถึงจะได้ มันไม่ได้อยู่ที่การขอหรือไม่ขออยู่ที่การกระทำหรือไม่กระทาถ้ากระทาจะขอไม่ขอก็ได้ถ้าไม่กระทาขออย่างไงก็ไม่ได้หรือขอในสิ่งที่เราไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำบุญใส่บาตรแล้วขอไปนิพพานอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปได้แค่สวรรค์พระอาจารย น, นี่กัยียนถามพระอาจารย์นี่ก็ยังสงสัยว่า บางครั้งลูกก็ทำบุญไปโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเช่นทำให้เงินกับน้องไปหลานไปลักษณะอย่างนี้เราไม่ได้อุทิศบุญเราก็ให้ตามไม่เร<บ>าอธิษฐานแล้วแต่เราไม่รูคออ้ความหมายของอธิษฐานไงความหมายของอธิษฐานคือความตั้งใจเห็นเขาเดือดร้อนอะไรก็อยากจะช่วยเขานี่ก็อธิษฐานแล้วเข้าจหมอธิษฐานมันมีสองความหมายวความหมายทางโลกก็ข อ, น, น, ขอนู่นขอนี่ อธิษฐานทางธรรมก็คือความตั้งใจว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องมีความตั้งใจก่อนถีงจะทำได้ดังนั้นเราอธิษฐานแล้วเแต่ว่าเราควรจะอธิษฐานว่าขอให้ทำบ่อยๆทำมากๆทำเรื่อยๆอย่างนี้ขอโ อ, อกาสเจ้าค่ะ ก็มีคําถามประมาณสองข้อนะคะคําถามนี้มันมันเกิดจากการโยมไม่แน่ใจว่ามาจากคําเทศของท่านแต่ว่ารวมๆก็น่าจะเป็นการรว ม, มกันที่โยนแยกไม่ออกระหว่างท่านแล้วก็อาจารย์สิกทองหลวงตาบัวแล้วก็หลวงพ่อแบนนะคะเมื่อเช้าก็เพิ่งฟังหลวงพ่อแบนตอนตอนเช้าก่อนนั่งสมาธินะคะพอดีว่า รอบที่แล้วเนี่ยโยมมีทุกขมากประมาณสี่ปีที่แล้วเนาะแล้วก็มารอบเนี้เพิ่งมีทุกขแบบหนักเลยเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยโยมเคยไปถามพระที่ประเทศที่วัดอโศกกรางว่าทุกขที่มีประโยชน์เนี่ยหาได้จากไหนมาคาเนี้ยโยมเจอทุกเลยไม่ต้องหาเลยราคาเนี้ยมันไม่แน่ใจว่ามันประมวลอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าทุกคาเนี้ยอย่างที่ท่านเทศวันเนี้ยคือเรื่องประเรื่อง ปริยอะไรนั่นะคะ่ะโยมจะไปจะไปทาทุกอย่างคือมันค้านี้มันเหมือนโอเคแต่สิ่งหนึ่งที่โยมยังทําไม่ได้ก็คือเรื่องที่ท่านบอกว่าสินแปดเรื่องการการทาครีมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไอตัวเนี้ยยังโยมยังมีความสุขอยู่แล้วก็ณวันนี้โยมก็ยังไม่อยากปล่อยแต่ตัวอื่นเนี่ยโยมพร้อมปล่อยแล้วแล้วทุกค้านี้ก็คือโยมนั่ง พยายามดูสติมากขึ้นที่ท่านบอกให้ตามสติตื่นมาแล้วก็ให้ผู้โทรอันเนี้ยเข้าใจแต่ครั้เนี้ยเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือเข้าใจและพร้อมที่จะทำนะคะคือสติที่โยมทำเนี่ยประมาณตั้งใจทํานะคะพยายามให้มากที่สุดก็ไม่รู้จะมากเท่าไหร่คือจิตมันแยกเองอะคะ่ะว่าที่มันทุกเนี่ยมันน่าเป็นไม่ใช่รูปอย่างเดียวเพราะว่า โยมก็ทำตามที่ท่านบอกอะคะ่ะคือหนึ่งก็คือไปดูศพหลายศพมากเลยศพเหม็นตาไอตามที่โรงพยาวบาลตำรวจศพ ส, สดส ด, สดไรก็ไมไ่ได้ประโยชน์อะไรก็เลยมานั่งย้อนคือเหมือนยกจิตขึ้นมาถามตัวเองว่ามันไม่น่าใช่รูปอย่างเดียวโยมที่ติดหนักตอนนี้น่าจะเป็นสังขารคำถามแรกคือสังขานีน่คือความคิดหรือเปล่าจะ้คะ ในทางในทางธรรมก็หมายถึงสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ได้หมายถึงร่างกายแต่บางทีเราภาษาไทยเราเราก็ใช้คําว่าสังขารแทนร่างกายแต่เวลาพูดทางธรรมนะมันหมายถึงความคิดปรุงแต่งก็แสดงว่าไอ้สังขารเนี่ยเป็นการปรุงที่ไม่ได้มาจากซีพคือสมองอย่างเดียวไม่ไม่ใช่สมองปรุงไม่ได้คิดไม่ได้มันจากจิตอ๋อไอ้สังขารนี่การปรุงของจิต ไม่ใช่ไม่ใช่การปรุงของสมองสมองไม่มีการคิดปรุงแต่งอ๋อสมองไม่มีการปรุงด้วยสมองมันเพียงแต่ทําหน้าที่ส่งสัญญาให้ยกมือขวายกมือซ้ายได้เวลาใจสั่งถ้าใจไม่สั่งถึงแม้จะมีสมองมันก็ไม่แขนก็ไม่ขยับเพียงแต่ว่าสมองนี้มันมันนั้นมันควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายการทํางานของร่างกายแต่การที่จะสั่งให้ร่างกายเดินไปไหนมาไหนทำอะไรนีนต่ตัวจิตความตัวสังขารความคิดเป็นตัวสั่ง ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสมองอยู่ในโลกทิพย์ อ, อยู่ในจิตในผู้รู้อยู่ในนามขันเวทนาสัญญาสังขาริญญาอันนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในจิตค่ะโอเคค่ะข้อที่สองก็คือที่ท่านเทศวันนี้ค่ะเรื่องอะไรนะคะศึกษาใช่ไหมคะคือเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วตอนเด็กๆ เ, เนี่ยคือโยมเคยเขียนไดอารี่แล้ว จิตมันเป็นสมาธิจนเด็กมากเลยเขียนปรากฏว่าจิตเนี่ยมันแยกเองเลยไม่ได้ตอแหละอะไรเลยว่าจิตมันแยกระหว่างปากกาน้ำหมึกกระดาษแล้วความเศร้าคือตอนนั้นจำได้เลยว่าจิตมันแยกออกมาเลยแล้วก็หยุดเขียนเลยอะไรวะเนี่ยแล้วมาวันนี้จิตก็แยกอย่างที่แยกอะค่ะว่าคือแยกไม่หมดนะคะแต่รู้เลยว่าหน้าวันนี้ที่ทุกเนี่ยไม่น่าจะใช่ละ ไม่น่าจะใช่ขันที่เป็นร่างค่ะลูกขยันเดียวคําถามก็คือที่ท่านเทศวันนี้ถ้าเราศึกษาคือยังไม่มีปัญญาพอที่จะสอนตัวเองค่ะและยังไม่ถูกต้องยังแยกขันห้าอะไรยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็คิดๆอย่างนี้ค่ะคือเราก็แค่ยังยังไม่มีปัญญาพาเอาเอาเอาสติสมาธิไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะสอนเองอันนี้ถูกต้องหรือปเปล่าคะก็ต้องเรีนไปเรืเ่อยๆค่อยๆเข้าใจไปตามลำดำับ ที่มันต้องศึกษาบ่อยๆฟังบ่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ร้องออขึ้นมาก็ก็คือที่ดีที่สุดคือ ท, ทุกวันคือฟังเทศแล้วก็กเจริญอย่างที่ท่านพูดอันนี้จะดีที่สุดปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยสลับกันไปการฟังก็จะทําให้เกิดความเข้าใจวิธีการปฏิบททัติที่ที่ถูกต้องมากขึ้นแล้วนะพอไปปฏิบัติผลก็จะเกิดมากขึ้นอพอเกิดผลขึ้นมาก็ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นมาปัญญาความเข้าใจ ก็ประมาณนี้แล้วเจ้าค่ะถ้าม <Okay. S 1> ีโรคประจําตัวต้องพบแพทย์ทุกสัปดาห์บวชในบวชวัดในตัวเมืองจะดีกว่าการออก บ, บวชวัดในป่าแทนได้ไหมครับเพราะสะดวกกว่าเพราะยังต้องพบแพททุกสัปดาห์มันก็มีข้อได้ข้อเสียนะอ่คือ ถ้าสถานที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติเอื้อต่อการรักษาร่างกายก็ได้ประโยชน์ทางร่างกายแต่จะไม่ได้ประโยชน์ทางจิตใจแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์ทางจิตใจเราก็ต้องไปหาสถานที่ที่เอื้อต่อต่อการปฏิบัติทางจิตใจังนั้นมก็มีข้อได้ข้อเสียแต่จะทำไง ไ, ได้บางทีคนเรามีกรรมมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติในที่ทุระกันดานได้ ก็จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่มันสะดวกสบายทางร่างกายไปเป็นกว่าโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายหายไปไม่เป็นอุปสรรคแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติในที่ที่มันเพื่อต่อการปฏิบัติทางจิตใจต่อไปอีกคําถามจากหน้ากุดค่ะตอนเด็กๆยังไร้เดียงสาและรู้เท่าไม่ถึงการได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วชาติหน้าเกิดมาจะถูกสัตว์นั้นมาเอาชีวิตคืนไหมคะ ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นั้นก็อ า, อาจจะถูกเขาเขากรรมากัดเราหรืออาจจะเป็นมนุษย์ก็อาจจะถูกสัตว์กัดตายก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนนั้นทางที่ดีอย่าไปทำดีกว่าอย่าไปทำร้ายผู้นล้วผู้จะไม่มาทำร้ายเราคําถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาในในนิกายอื่นสามารถปฏิบัติภาวนาไปถึงนิพพานเหมือนชาวพุทธเทรารวาณไหมคะก็อยู่ที่ว่าเขาปฏิบัติมากแปดได้หรือเปล่าศีนสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหรือเปล่าถ้าก็ไม่ปฏิบัตินี้เขาก็จะไม่ได้คำถามจากทางยู u b e ค่ะพระพิสุหากทำผิดศีลเช่นฆ่าสัตว์โกหกจะบาปหนักกว่าคารวาณไหมครับ ไม่หรอเท่ากันสินข้อเดียวกันทำมันก็เหมือนกันค่ะคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะคำว่าปิดอบายภูมิของพระโสดาบันนั้นสามารถสังเกตจากอารมณ์หยาบๆยาหายไปได้ใช่ไหมครับคือพระโสดาบันนี้เห็นตัวที่จะดึงจิตให้ไปอบายแล้วมีสติปัญญากำลังที่สามารถหยุดมันได้ ถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะขอกราบสอบถามพระอาจารย์สองข้อเจ้าค่ะหนึ่งเวลานั่งสมาธิแล้วเจอหลุมดำในสมาธิเหมือนจะดูดเราเข้าไปห ล, หลุมดำนั้นคืออะไรคะไม่ต้องไปสนใจหรอกให้อยู่กับลมไปหรืออยู่กับพุโทโธไปแ่้มันจะเป็นอะไรเราไม่ต้องไปสนใจเป้าหมายของเราคือความว่างความสงบความนิ่งของใจ ถ้ายังไม่ไปถงึงจุดนั้นก็อย่าไปสนใจถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ค่ะพระอาจารย์ตอบคำถามข้อที่สองไปแล้วค่ะคือเขาไม่สนใจแล้วดูลมต่ อ, อก็ถูกต้องค่ะคำถามต่ภไยจากทางเฟซบุ๊กค่ะเมื่อคืนวันพุธกระผมได้ เรียนถามพระอาจารย์แต่ไม่ได้ยินเสียงช่วงท้ายได้ถามว่าศีล ส, สะอาดช่วยให้นั่งสมาธิสงบได้ง่ายถูกไหมครับแต่วันนี้ได้เข้าใจแล้วว่าต้องมีสติให้มากและตลอดวันตลอดคืนเวลานั่งจิตจะรวมได้เร็วและลึกกระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับขอพระอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมด้วยครับถูกต้องตัวที่จะทําให้จิตสงบนี้อยู่ที่สติเป็นหลักแต่ศีลก็เป็นตัวที่จะช่วยให้มีสติ ให้มีที่ให้มีเวลามาปฏิบัติสติอย่างถ้าไม่มีศีลนี่ไปกินเหล้าเมายานี่ก็มันก็จะทำให้ไม่มีสติจ ะ, จะเจริญสติก็จเจริญไม่ได้คนเมาเหล้าขาดสติค่ะคำถามจากทางเฟค่ะถ้าเวลาสวดมนถ้าเวลาสวดมนแล้วถ้าเราต้องการให้คนข้างๆที่นั่งด้วยซึ่งเขาสวดมนไม่เป็นแต่เราอยากให้เขาได้บุญด้วยเขาจะได้บุญด้วยไหมคะ ไม่ได้แต่เขาต้องสวดเองของใครของมันเหมือนเรากินข้าวคนเดียวเขาคนที่ข้างๆดูเรากินนี่เขาเขาจะอิ่มตามเราหรือเปล่าค่ะคำถามจากทาง y o u t u ด็อกตอร์บีชานลค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตที่รู้เห็นซึ่งความเป็นอนิจจังของสังขารแล้วจะมีเครื่องอยู่ในโลกได้อย่างไรขอรับ เนื่องจากต้องประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวและมีทำอะไรที่จะต้องดําเนินต่อไปครับเขเลี้ยงไปตามอัตภาพเลี้ยงไปตาม <c oughs> ตามกำลังตามความสามารถ <c oughs> อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายแต่แตจะไม่ทุกขับความเป็นความตายเจะอดตายก็ไม่เดือดร้อน <c oughs> หมดแล้วเค่ะยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะโอเคไม่มีคำถามก็ไว้รอ ว, วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันทาหรัววันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ